พัทยสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่าพัทยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตะคารศาลาป่ามหาวันเข ค, ครุงเวสาลีครั้งนั้นแหลเจ้าลิชวีพระนามว่าพัทยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาย่อมรู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญาเรธีกลับใจสาวกอัญญะเดรธีเหล่านั้นพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาทรงรู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญาเิรธีกลับใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเขากล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคคำไม่เป็นจริงหรือย่อมพยากรทำสมควรแก่ธรรมและการคล้อยตามวาทะอันชอบแก่เหตุไรๆย่อมไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนหรือแท้จริงข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตูวพ่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาเถิดพัทยะท่าน อย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ mm. อย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะ mm. อย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล mm. อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้ว อย่าโปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราพัทธิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ เมื่อนั้นท่านควรละทำเหล่านั้นเสียพัทธิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือโลภะความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลพัทธิยะลิชวีทูลว่าไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรถามว่าพัทธิยะกบุรุษบุคคลผู้มีโลภะนี้ถูกโลภะครอบงำ มีจิตถูกโลภะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพัทธิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรโทรสะความคิดประทุษร้ายละถึงโมหะความหลงสารพะการแข่งดี เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะพัทธิยะก็บุรุษบุคคลผู้มีสารัมภะนี้ถูกสารัมภะครอบงำมีจิตถูกสารัมภะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูล เพื่อทุกตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าคะ่ะพัติยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือ อ, อกุศลเป็น อ, อกุศลพระพุทธเจ้าคะ่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษพระพุทธเจ้าคะ่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าคะ่ะ ทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เลื้อกูลเพื่อทุกขหรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเหล่านี้ที่บุคคลเถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้าพระองค์มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพัทธิยะ เพราะเหตุนี้แหลเราจึงเรียกล่าวไว้ว่ามาเถิดพัทธิยะท่านอย่าปรองใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรองใจเชื่อด้วยการเถสืบสืบกันมาอย่าปรองใจเชื่อด้วยการเล่าเลืออย่าปรองใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปรองใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรองใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรองใจเชื่อด้วยการคิดตรงตามแนวเหตุผล อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าพัทธิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ทาเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านควละทาเหล่านั้นเสียเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมาเถิดพัทยะท่านอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการถือสืบสบกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคมภี อย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราพัทธิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่า ทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดพัทธิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคืออโลภะความไม่อยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูล เกือกูลพระพุทธเจ้าค่ะพัทธิยะก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโลภะนี้ไม่ถูกโลภะครอบงำมีจิตไม่ถูกโลภะกลุ่มรุมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าพัทธิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร คืออโทสะความไม่คิดประทุเจร้ายละถึงอมโมหะความไม่หลงอะสารัมภะความไม่แข่งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะพัทธิยะก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีสารัมภะนี้ไม่ถูกสารัมภะครอบงำมีจิตไม่ถูกสารัมภะกรุ้มรุมไม่ฆ่าสัต ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพัฒยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลพระพุทธเจ้าค่าเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขหรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข ข้าพระองค์มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพัทยะเพราะเหตุนี้แลเราจึงเลือกกล่าวไว้ว่ามาเถิดพัทยะท่านอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าหลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะ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 รมเหล่านี้เป็นกุศลทมเหล่านี้ไม่มีโทษทมเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภัทถิยะชนเหล่าใดในโลกเป็นคนสงบเป็นสัตว์รุษชนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญท่านจงมาจงกำจัดโลภะเสถเถิดเมื่อกำจัดโลภะได้จะไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โลภะด้วยกายวาจาใจจงกำจัดโทสะเสถเถิดเมื่อกำจัดโทสะได้จะไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โทสะด้วยกายวาจาใจจงกำจัดโมหะเสถเถิดเมื่อกำจัดโมหะได้จะไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โมหะด้วยกายวาจาใจ จงกำจัดความแข่งดีเสียเถิดเมื่อกำจัดความแข่งดีได้จกไม่ทำกรรมอันเกิดแต่ความแข่งดีด้วย ก, กายวาจาใจเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพัทธิยะลิชวีเดยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจาข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพัทธิยะเราเรียกกล่าวชักชวนท่านอย่างนี้ว่าขอท่านจงมาเป็นสาวก ข, ของเราเถิดเราจะเป็นศาสดาของท่านหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าค้าพัทธิยะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวต่อเราผู้มีวาทะอย่างนี้บอกอย่างนี้ ด้วยถ้อยคําอันไม่แน่นอนเป็นคําเปล่าคําเท็จคําไม่จริงว่าสมณะโคโดมมีมายารู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญะเดรธิมานับถือดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ดีนักมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้งามนักทายาสาโลหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์ จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่บรรดาญาติพี่น้องอันเป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานถ้า <grasses, S 2> แม <ท Lang S 2> ้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้พราหมณ์ทั้งปวงแพทย์ทั้งปวงสูตรทั้งปวง จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนี้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเกสูทั้งปวงตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพัทธิยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นพัทธิยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นถ้าแม้กริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจ <Grandpa. S 2> เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธร ร, ม, ร, รมเกิดขึ้น ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ตลอดกาลนานถ้าแม้พรามทั้งปวงแพท์ทั้งปวงสูดทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สูดทั้งปวงตลอดกาลนาน ถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามหมณ์เทวดาและมนุษย์ จ, จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละอกุศณธรรมเพื่อให้กุศณธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ตลอดกาลนานภัตถยาถ้าแม้พวกผู้มั่งขั่งเหล่านี้จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละอกุศสลธรรมเพื่อให้กุศสลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ผู้มั่งขั่งเหล่านี้ตลอดกาลนานถ้าผู้มั่งขั่งเหล่านี้ตั้งใจไม่จําเป็นต้องพูดถึงผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาพัตถยาสูตรที่สามจบ สาปุคิยาสูตรว่าด้วยโกลิยะบุตรชาวสาปุคยนิคมสมัยหนึ่งท่านพระอานนณน์อยู่ในนิคมของโกลิยะราชสกุลชื่อสาปุคะแคว้นโกลิยะครั้งนั้นแหลโกลิยะบุตรชาวสาปุคิยานิคมจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนณนงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งนที่สมควร ท่านพระอนุนได้กล่าวกับโกลิยบุตรชาวสาปุขยานิคมดังนี้ว่าท่านพยาคปัตชะทั้งหลายอง ค, ความเพียรเพื่อปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สี่ประการพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะและปริเทวะความเศร้าโศกและความคร่ำครวญ เพื่อดับทุกขความทุกกายและโทมนัสความทุกใจเพื่อบรรลุยายาธรรมเพื่อทําให้แจ้งนิพพานองค์ความเพียรเพื่อปาริสุทธิ4ประการอะไรบ้างคือ 1. องค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิ 2. องค์ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิ 3. องค์ความเพียรเพื่อทิฏฐปาริสุทธิ 4. องค์ความเพียรเพื่อวิมุตติปาริสุธิองค์ความเพียรเพื่อศีละปาริสุธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลและถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่าศีละปาริสุธิความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมักขะม่นความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะในศีลปาริสุทธินั้นว่าเราจากยังศีลปาริสุทธิเห็นป่านั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากประครับประคองศีลปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยคัคฆปชะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิองค์ความเพียรเพื่อจิตตะปาริสุทธิเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุเจตุทฌานอยู่นี้เรียกว่าจิตตะปาริสุทธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขะม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะในจิตตะปาริสุทธินั้นว่าเราจะบรรเพ็นจิตตะปาริสุทธิเห็นป่า น, นั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือจากประคับประคองจิตตปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไวในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยาคัปัชชะทั้งหลายนี้เรียกว่าอง ค, ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิอง ค, ความเพียรเพื่อทิฏฐิปาริสุทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น, นี้ทุกขละถึงนี้ทุกคณิโรทคามนีปฏิปทา นี้เรียกว่าทิฏฐิปาริสุธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุธินั้นว่าเราจะบำเพ็ญทิฏฐิปาริสุธิเห็นปานนั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจากประคับประคองทิฏฐิปาริสุธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยกครปัจฉะทั้งหลาย นี้เรียกว่าองความเพียรเพื่อทิฏฐิปริสุทธิองความเพียเพรเ พ, ยเพื่อวิมุตติปริสุทธิเป็นอย่างไร <c oughs> คืออริยสาวกนี้แหลเป็นผู้ประกอบอง ค, ความเพียรเพื่อศีละปริสุทธิประกอบองความเพียรเพื่อจิตตปริสุทธิประกอบองความเพียรเพื่อทิฏฐิปริสุทธิแล้วย่อมคลายจิตในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกาหนัด ย่อมเปลืองจิตในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเปลืองแล้วย่อมถูกต้องสัมมาวิมุตตินี้เรียกว่าวิมุตติปาริสุธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะในวิมุตติปาริสุธินั้นว่าเราจะบำเพ็ญวิมุตติปาริสุธิเห็นป่านั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือจากประคับประคองวิมุตติปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยาคัปัจชะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อวิมุตติปาริสุทธิท่านพยาคัปัจชะทั้งหลายองค์ความเพียรเพื่อปาริสุทธิสีประการ น, นี้แหลพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้ว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 ว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าวัปปะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขครุงกบิลพั์แควนสักกะครั้งนั้นแหลเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนเสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับเจ้าวัปปะสักยะ สาวกนิครนดังนี้ว่าเจ้าวัปปะบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้สำรวมเลือกกายวาจาใจเพราะอาวิชาสำรอกไปวิชาเกิดขึ้นท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสะวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพหรือไม่เจ้าวัปปะตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเขาพระเจ้าเห็นฐานะนั้นคือบุคคลในโลกนี้ พึงทำบาปกรรมไว้ในปางก่อนซึ่งยังให้ผลไม่หมดอาสะวะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพที่มีบาปกรรมนั้นเป็นเหตุท่านพระมหาโมคลานะกับเจ้าวัปปะสากยะสาวกนิครนสนธนาเรื่องค้างไว้เท่านี้ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคลานะว่าโมคลานะบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนากันค้างไว้ท่านพระมหาโมคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เลือกกล่าวกับเจ้าวัปปะสกะักยะสาวกนิครนว่า วัปปะบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้สำรวมเ้ือกกายวาจาใจเพราะอาวิชาสำรอกไปวิชาเกิดขึ้นท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อสาาวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสำปรายภาพนั้นหรือไม่เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครณเรียกล่าวกับข้าพระองค์ว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเห็นฐานะนั้นคือถ้าบุคคลทำบาปกรรมไว้ในปางก่อนซึ่งยังให้ผลไม่หมดอสาาวะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งเวทนาจะพึงไปตามบุคคลผู้มีบาปกรรมนั้นเป็นเหตุในสัมปรายภพเรื่องนี้แหลที่ข้าพระองค์กับเจ้าวปัปปะสักยะสาวกนิครนสนธนาค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครณดังนี้ว่าวัปปะถ้าท่านจะพึงยอมรับข้อที่ควรยอมรับและคัดค้านข้อที่ควรคัดค้านต่อเราและท่านไม่รู้ความหมายแห่งภาษิตของเราข้อใดท่านพึงสักถามเราในข้อนั้นยิ่งขึ้นไปว่าพุทธพจนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจนี้เป็นอย่างไรเราพึงสนทนากันในเรื่องนี้ได้ เจ้าวัปปะสักยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะยอมรับข้อที่ควรยอมรับและจกคัดค้านข้อที่ควรคัดค้านต่อพระผู้มีพระภาคอันหนึ่งข้าพระองค์ไม่รู้ความหมายแห่งพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคข้อใดข้าพระองค์จกซักถามพระผู้มีพระภาคในข้อนั้นยิ่งขึ้นไปว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร ขอเราจงสนทนากันในเรื่องนี้เถิดพระผู้มีพระภาคกระถามว่าวะปะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคืออาสะวะเหล่าใดที่ก่อทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะการกระทำทางกายเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาจากการกระทำทางกายแล้วอาสะวะเหล่านั้นที่ก่อทุกข์เดือดร้อนย่อมไม่มีแก่เขาเขาไม่ทำกรรมใหม่ด้วย รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วยนี้คือข้อปฏิบัติที่ทำให้กิเลสสิ้นไปผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านย่อมเห็นฐานะที่เป็นเหตุให้อสวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกเวทนาซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสำปรายภพนั้นหรือไม่ เจ้าวัปปะสักยะกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวัปปะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคืออาสะวะเหล่าใดที่ก่อทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะการกระทําทางวาจาเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาจากการกระทําทางวาจาแล้วอาสะวะเหล่านั้นที่ก่อทุกข์เดือดร้อนย่อมไม่มีแก่เขาเขาไม่ทํากรรมใหม่ด้วย รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วยนี้คือข้อปฏิบัติที่ทำให้กิเลสสิ้นไปผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านย่อมเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสะวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกเวทนาซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสัมป라ยภพนั้นหรือไม่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 รับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วยนี้คือข้อปฏิบัติที่ทำให้กิเลสสิ้นไปและถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านย่อมเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสำปรายภบนั้นหรือไม่เจ้า ว, วัปปะสักยะกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่า วับ ป, ปะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคืออาสะวะเหล่าใดที่ก่อทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอาวิชชาสัมรอกไปวิชาเกิดขึ้นอาสะวะเหล่านั้นที่ก่อทุกข์เดือดร้อนย่อมไม่มีแก่เขาเขาไม่ทำกรรมใหม่ด้วยรับผลกรรมเก่าแล้วทำให้สิ้นไปด้วยนี่คือข้อปฏิบัติที่ทำให้กิเลสสิ้นไป ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านย่อมเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อสาาวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปยภพบนั้นหรือไม่เจ้าวัปปะสักยะกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคกระถามว่าวัปปะ ภิกษุมีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมบรรลุธรรมเป็นเครื่องอยู่เนืองนิดหประการเธอเห็นรูปทางตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ เธอเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วเวทนาทั้งปวงที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีในโลกนี้จกสงบเย็นลงวัปปะเงาปรากวเพราะอาศัยต้นไม้ ครั้งนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้ามาเขาตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นตัดไม่ให้เหลือแม้ขนาเท่าต้นแฝกเขาตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนๆทําให้เป็นซิกซีก่แล้วผึ่งลมและแดดครั้นผึ่งลมและแดดแห้งแล้วเผาทําให้เป็นขี้เท่าโปรยในที่มีลมพัดจัดหรือลอยในแม่น้ําอันมีกระแสเชี่ยว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 ย่อมรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วเวทนาทั้งปวงที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีในโลกนี้จกสงบเย็นลงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนเด้๋ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษต้องการกาไร เลี้ยงลูกมาไว้ขายแต่ไม่ได้กําไรซ้ํายังต้องเหน็ดเหนื่อยลําบากใจยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องการกําไรเข้าคบหานิครนผู้โง่ก็ไม่ได้กําไรทั้งเหน็ดเหนื่อยลําบากใจยิ่งขึ้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์นี้จะโปรยความเลื่อมใสในพวกนิครนผู้โง่เสียในที่ลมพัดจัดหรือลอยเสียในแม่น้ํา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 สาระาสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่าสาระาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตะคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นแหละเจ้าลิชวีพระนามว่าสาระาและพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควร เจ้าสาระหะลิชวีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าผ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมูกหนึ่งบัญญัติการข้ามโอคะเพราะเหตุสออย่างคือ 1. เพราะศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นเหตุ 2. เพราะการเกลียดตะบะเป็นเหตุส่วนในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสาหลหะเรากล่าวศีลวิสุทธิแล้วว่าเป็นองค์แห่งสมณธรรมอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดถือการเกลียรตบะเป็นวาทะถือการเกลียรตบะเป็นสาระยึดมั่นการเกลียรตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่สามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติ ท, ทางกายไม่บริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจไม่บริสุทธิ์มีอาชีพไม่บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ควรเพื่อยานทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมเปรียบเหมือนบุรุษใคลจะข้ามแม่น้ำพึงถือผึ่งอันคมเข้าไปสู่ป่าเขาพบต้นรังใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังเป็นไม้อ่อนไม่มีที่ตำหนิ เขาพึงตัดที่โคนตัดที่ปลายครั้นแล้วลิ้นกิ่งและใบเรียบร้อยดีถากด้วยผึงกล่าด้วยมีดขุดเป็นร่องขัดด้วยลูกหินแล้วปล่อยลงแม่น้ำสาลหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะฆ่าแม่น้ำนั้นไปได้หรือไม่เจ้าสาละหะลิชวีก็กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเจ้าสารหะลิชวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะต้นรังนั้นเขาแต่งเกลื่นเกลาในภายนอกแต่ภายในไม่เรียบร้อยบุรุษนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าไม้รังจะต้องจมและบุรุษนั้นจกถึงความพินาศพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารหะ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 สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ควรเพื่อยาณทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมฉันนั้นเหมือนกันส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดไม่ถือการเกลียตบะเป็นวาทะไม่ถือการเกลียตบะเป็นสาระไม่ยึดมั่นการเกลียตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นสามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นควรเพื่อยานทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมเปรียบเหมือนบุรุษใคร่จะข้ามแม่น้ำพึงถือผึ่งอันคมเข้าไปสู่ป่าเขาพบต้นรังใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังเป็นไม้อ่อนไม่มีที่ตำหนิเขาพึงตัดที่โคนตัดที่ปลาย รันแล้วลิ้งยิ่งและใบเรียบร้อยดีถากด้วยผึ่งเกล้าด้วยมีดขีดแต่งด้วยสิวทำภายในให้เรียบร้อยขูดเป็นร่องขัดด้วยลูกหินทำให้เป็นเรือติดกันเชียงและหางเสือแล้วปล่อยลงแม่น้ำสาระหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะฆ่าแม่น้ำได้หรือไม่เจ้าสารหะลิชวีกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเจ้าสะะารหะลิชวีกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะต้นรังนั้นเขาแต่งกลี่งกล่าวดีในภายนอกและภายในก็เรียบร้อยดีทำเป็นเรือติกกันเชียงและหังเสือบุรุษนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าเรือจกไม่จมบุรุษนั้นจถึงฝั่งได้โดยสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สาละข้อนี้ฉันใดสมณพราหม์เหล่าใดไม่ถือการเกลียตบะเป็นวาทะไม่ถือการเกลียตบะเป็นสาระไม่ยึดมั่นการเกลียตบะอยู่สมณพราหม์เหล่านั้นสามารถข้ามโอคาได้อันหนึ่งสมณพราหม์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์ สมณพราหมณ์เหล่านั้นควรเพื่อยานทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมชั้นนั้นเหมือนกันแลสรละหะเปรียบเหมือนนักรบอาชีพถึงแม้จะรู้กระบวนกศรเป็นอันมากแต่เขาจะชื่อว่าเป็นนักรบคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ด้วยองค์สามประการองค์สามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ยิงลูกศรได้ไกลสองยิงไม่พลาดสามทลายกายขนาดใหญ่ได้สาละหะนักรบอาชีพยิงลูกศรได้ไกลแม้ฉันใดอริยสาวกผู้มีสัมมาสมาธิก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาสมาธิพิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอยาหรือละเอียด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 อย่าปรืหลละเอียดเลวหรือประณีดไกลหรือใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสาธะนักรบอาชีพยิงไม่พลาดฉันใดอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาสาลาหะนักรบอาชีพทำลายกายขนาดใหญ่ได้ชั้นใดอริยสาวกผู้มีสัมมาวิมุตติก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้มีสัมมาวิมุตติทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้สาลาหะสู่ที่หจบ